ครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราขอบคุณเจ้าในช่วงเอ่อ ดีแล้วหลายอย่างนะอันที่ 2 ชีวิตของเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหันอย่างที่ 2 คือเอ่อการจะให้พระบัญชาพระเจ้านะ นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าก็ถามในเรื่องของโลกตัวอกกลางนะกระแสสงครามโลกคริสต์ 3 ก็กําลังคุยกันอยู่นะในทีวีในส่วนของคริสเตียนนะก็มีการวิเคราะห์ถึงอนาคตจะเป็นไงเอ่อ อ่าโดยทรัมป์นะก็ย้ายฐานทูตมาอยู่ที่เอ่อเยรูซาเล็มก็ทํา 3 ส่วนหรือ 4 ส่วนส่วนแรกคือเป็น 2 มีของยิว 3 เนี่ย เอ่อเพรสไตล์อยู่ส่วนหนึ่งนะฮะ 3 ส่วนนะประมาณนี้นะครับคือในในพื้นที่ อ่าซีเรียนะฮะใต้จตอียิปต์นะฮะตะวันตกจดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตนออกไปถึงอ่าวเปอร์เซียครอบอ่าวเปอร์เซียทางซะอาระเบียทาง เขตแดนของกิจจักรคืออะไรสุดปลาย ก็มาแนะนําประเทศของไนจีเรียไนจีเรียเนี่ยนะครับอ่าธงเค้าสีเขียว 2 ด้านสีขาว แล้วนเกียเรียเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่อง ว่า 175 ล้าน 180 ล้านเมืองหลวงคืออบูจาเป็นเมือง 58% อิสลาม 41% ส่วน 1% น่า 58% นะครับประเทศ กิจจักรที่ อันล่ะเท่าไหร่นะ 1952 ศิบาห์คนแรก 2 มา 1981 พาสเตอร์อ่าอดีโปเย่นะครับที่ 50,000 แห่งเดิน 5 ที 1 แห่งฮะที่เมือง ชื่อคิดจากก็ชื่อว่า The Redeemed Christian Church of God นะฮะที่เมืองเลกอสนะฮะประเทศไนจีเรียใครอยากรู้ นะครับอันนี้ใกล้เคียง 3 กิโลเมตร อันนี้ส่วนทะแยงมุมนะครับส่วน เพียงแต่ว่าทําเข้มข้น 60 กว่าปีนู้น 100% ในประเทศไนจีเรียและคริสเตียนมันแค่หยิบ ทำไมเขาต้องอยู่สภาพแบบนี้ในเมื่อพระเจ้าของเขายิ่ง วิธีการคือต้องเพิ่มจํานวนคริสเตียน 2 ข้อหลังต้องการไม่ใช่ไอ้ฐาน แล้วแต่ณพระทัยพระเจ้ามีเหตุผลเดียวเมื่อมันเป็นณพระทัยพระเจ้านะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ณพระทัยพระเจ้า และพระเจ้าของเราเนี่ยรักเราจะตายไปถ้าเรารักชาติของเรารักบ้านเมืองของเรารักชุมชนของเรา นะส่วนตัวคงใกล้ฐานจังแก่เอ่อประเทศไทยข้างหลังทีก็แปรรูปและผู้จําหน่ายเองไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าของกลาง กับไม่มีที่ธรรมดาเป็นเป็นธาตุอ่ะชีวิตนี้จะปลดเปลื้องเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยทํานองเนี้ยมันอะไรหนักหนาเพียงอะไรต่างๆนี่นะ แล้วมันจะได้ได้ไงอ่ะอยากมีคริสเตียนเยอะก็นี้อยู่ในกรณีนี้ภารกิจของเราต้องการฟื้นฟูประเทศไทยให้คิดจักไทย ไอ้ฐานวังนะขอบคุณเจ้าที่กิจจักไทยมีกัดได้เป็นเอกภาพแล้วมีนิมิตเดียวกันส่วนใหญ่นะเพื่อตัวเองเมื่อก่อนคริสเตียน jadi จวดทองตาลเดียวเอ่อพระองค์ขาวเอ่อเรือนแพธมุชชาพญาเสืออรัญญิกอ่าหลับตาเห็นภาพอ่ะเข้าใจมั้ยรอบ Thailand Shirt Printing มี อ่าเชียงใหม่ขนแก่นกรุงเทพฯหาดใหญ่อันนี้คือสิ่งพระเจ้า 118 ปีถ้า 121 ปี พอเริ่มต้นที่ 1 เป็น 1897 ก่อสถาปนาปี 1900 ใช่มั้ยนั่นคือสิ่งที่หนูใจมองเห็นภาพอ่ะพระเจ้ามีพระประสงค์นะคิดจักที่สามารถอยู่เป็น 100 ปีไม่ธรรมดา ไม่ให้แค่เป็นอนุสรณ์สถานหรอกนะเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่มีความภาคภูมิใจเห็นมั้ยคิดจักรที่อยู่นานที่สุดในโลกคือคิดคุณรกูลผมไม่ใช่แค่นั้นฮะไม่มีความหมายฮะไม่มีความหมายเลยนะฮะไปไหนก็อวดจิตจักรของเราเอ่อเกิดเป็นจิตจักรแรกเดี๋ยวนี้มาตั้งไมไมไมไม 118 ปีแล้วโอเคมันดูเหมือน รุ่นเลยสารอะไรต่อนะฮะนั้นคือสินทรัพย์นั้นสิ่งที่ทําได้คืออะไรลงมือ ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ด้วยและเวลพรขอบคุณในความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าสุนนําพระภิกษุตรรับการอุปถัมภ์ซึ่ง เปิดตาฝันอย่างไรได้เห็นการสะมแดงมหาสําคัญโปรดมายังข้าหลายณเวลา แล้วก็พันธกิจของเราคืออะไรพันธกิจของเราน่ะมี 3สอ่ะสสสเนี่ย 1 แลสร้างสัมพันธ์ 2 สร้างชีวิต 3 สร้างชุมชน 3 อย่าง 3สเนี่ยเป็นน้ําพระทัยของพระ นะสร้างสัมพันธ์สร้าง 10 คน 9 ก็จะมอง 70 คนออก 12 คนครั้ง 2 ส่ง 70 คนอ่าหลัก ครั้ง 12 คนให้ไปคนคร 70 คนเนี่ยให้ไปหาคนอื่นนะหาคนอื่นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูอีก 70 คนไว้และ 2 คนให้ให้ พระองค์ตรัสว่าค่ายต้องเกี่ยวนั้นมีมากรกหนามีมากแต่คนงานอย่างน้อยนะนะเป็นให้แยก เป็นการสร้างสัมพันธ์กับคนกลุ่มเล็กสร้างสัมพันธ์กับอะไรอ่าคนใกล้ชิดนะนั่นคือสิ่งสําคัญ 70 คนนั่นคือทัพแต่ส่ง ในการสร้างสัมพันธ์ไปเป็นคู่คู่ People Need The Lord ใช่มั้ยถ้า คนต้องการพระเจ้าแต่ฮะไอ้การจะให้เค้าวิ่งมายากนะบอกให้ทําไม <laughs> Dat is een kind het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik het Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik het Ik heb het het het het het het het het het het het het เขาต้องการพระเจ้าต้องการพระเจ้าเขาอยากจะพบพระเจ้าเขาอยากสัมผัสพระเจ้าเขาอยากมีประสบการณ์พระเจ้าเขาอยากนมัสการอธิษฐานเริ่มต้นเข พวกท่านจงผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์แต่ให้ฐานด้วยไอ้ฐานขอนะขอที่ให้เจอคนนั้นและขอให้คนมาช่วยการให้ฐานถือเป็นหัวใจสําคัญเราให้กุญแจสวรรค์กับ พระองค์ไม่เคยเอาอาวุธอะไรใส่มือเรานอกจากไม่มีอุดอื่นสั่งสารพะต้องการอะไรไปนะฮะคําอธิษฐานอย่างเดียวเดินไปอธิษฐานไปเดินไปอธิษฐาน เริ่มต้นที่การอธิษฐานมีภาระใจชัดเจนว่าเรารู้ว่าเขาต้องการพระเจ้าก็เริ่มอธิษฐานเพื่อเขาให้ อธิษฐานแต่ครั้งเราไม่กล้าไปหาเขาไม่อธิษฐานเผื่อเขาแต่ถ้าเราอธิษฐานแต่ถ้าเราไม่รักเขาเนี่ยแค่จับชอบ <laughs> งั้นถ้าเราเห็นคนไทยเนี่ยเค้าต้องการพระเจ้าแล้วเรารักเค้าจริงไอ้ฐานพระเค้าเยอะสักพัดเราจะไปหาเค้าหรือถ้าพระเจ้าทรงโปรดเค้า ไอฐานห่วงใยให้เดรัคหรือแบ่งปันชีวิตอันนี้เพื่อเขาด้วยความรักนะฮะห่วงใยเค้าแสดง เริ่มต้นอย่างแค่เนี้ยเริ่มต้นอธิษฐานก่อนถ้ายังไม่ฐานแต่ต้องอธิษฐานแบบไหนไอ้ฐานแบบจริงจังและมี นะไอ้ฐานขอพระเจ้าอวยพรเค้าเรารักเค้าเราใส่เค้ารู้จักพระเจ้าอะไรตั้งแต่แล้วก็ไอ้ฐานด้วยความรักความ ถ้าจะเข้าไปโดยไดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขวิแก่เรือนี้เถิดถ้าลูก นะหมาป่ากินขาดอยู่แล้วลูกแกะตายอย่างอะไรนะนะฮะแล้วไปหา แล้วดูว่าคนที่เล่าฐานเผื่อนั้นน่ะเค้าใช่ลูก หญิงชาซามาเรียไปตักน้ําตอนเที่ยงพระเยซูไปนั่งที่นั่นขอ แต่ในแล้วได้พบพระเจ้าแล้วก็ยายคนอื่นได้รู้ว่าพระ พอเราอยากให้เองอยู่แต่ยังตื่นเต้นไงโอ้พบพระเจ้าแล้วทําไงดีคนเดียวเนี่ยบอก แม่ลืมไปว่าใครว่าบอกนะลืมไปว่าใครว่าบอกนะคนที่บอกลืมไปว่าคนนั้นเขาได้ยินคําว่าพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยทําให้ละลายความโกรธเกลียด ที่บอกเรื่องของพระเจ้ากับผู้อื่นเราเห็นคนนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ฐานเปิดค่อยเยอะแล้วพยายามหยู่บเค้าสอนเค้าสร้างเค้าให้รู้จักกับ หลายคนเป็นเป็นคริสเตียนแต่ไม่ ใช่ไหมมั้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่แหละที่ต้องบอกลูกว่าไงแบบไหนนั้นก็หนุนใจมองเห็นว่าฉันเนี่ยนะ แล้วพูดชัดเจนกับหญิงนี้ว่าที่ฉันเชื่อพระเยซูไม่ใช่เพราะเธอบอกนะฉันเชื่อเองเพราะฉันได้ไปฟังเองเพราะฉันได้ไปฟังเองไม่เป็นไรแต่หญิง แล้วฉะนั้นมหานครินัสเลยบอกว่าทานของท่านทําไอ้ทางท่านได้ไปถึงพระเจ้าแล้วบัดนี้จงส่งคนไปหาเปโตรที่เมืองยาฟฟาข้าพเจ้าใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีที่ท่านมาก็ดีแล้วบัดนี้พวกข้าพเจ้าอยู่พร้อมกันต่อหน้าพระพักพระเจ้าเพื่อจะฟัง มารอเปโตรเพื่อจะฟังเรื่องของพระนั้นลูกแห่งสายศุกร์และสายศอมีใจแสวงหาพระเจ้าตลอดและก็ แต่แถมบางคนก็เน็บอีกทั้งหาก ยังคิดก็หาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ดู อันนั้น 3 นายคุกที่เมืองฟิลิปปินส์เปโตรถูกจับขังคุกที่เมืองฟิลิปปินส์ถูกเครียดต่าง ยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ในคุกดีใจ อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เอ่อเป็นเหมือนดินที่มีหินแต่น้อยฟังปั๊บก็เจริญเติบโตไม่ใช่ อันสร้างไม่ได้ไปชวนคนอื่นไปสร้างด้วยมาบอกพวกคนนี้น่าสนใจอาจารย์หรือว่าบอกผู้ปกครองคนนี้น่าสนใจแล้วคนนี้เอ้ยเพื่อนเอ้ยคนนี้น่าอ่า แม่ค้าปากนั่นคือเค้าร้อนนี่คือรูปแห่งใสให้สุกที่ควรจะสร้างและให้เค้ารู้จักพระเจ้าได้ชัดเจนมากขึ้น รับพรคุณพระเจ้ามาเยอะพอมันควรละเราต้องแจกจ่ายบ้างละๆและเขารับรองท่านไว้จนกินของ ตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายแจ้งแก่เขาว่าเป็นของพระเจ้าใกล้มาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วสร้างสังคม กิโลเมตรที่ 1 คล้ายๆก็ทําได้อยู่แล้วเข้าเอ่อเข้าทํางาน 8:00 น. เลิก 5:00 น. เนี่ยเรื่องปกติคล้ายๆก็ทําอยู่นั่นกิโลเมตรที่ 1นน1 แต่บางคนไม่สัดสื่อนะ 2 คือทําหลังจาก 5:00 ไอ้ 8:00 น. ถึง 5:00 น. เนี่ยทําแล้วได้ค่าตอบแทนแต่หลังจาก 5:00 น. ไปแล้วไม่รับค่าตอบแทน 2 กิโลเมตรที่ 2 ที่เสียคือทําแล้ว 2 ไม่ทราบว่าเราอยู่ 1 สมบูรณ์หรือยัง งานไม่เสร็จทําให้เสร็จโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องไปเรียกร้องโอเวอร์ไทม์ไม่ต้องไปเรียกร้องโบนัสเพราะเป็นใจเราจะให้อันนั้นคือกิโลเมตรที่ 2 <c oughs> <c oughs> นะฮะดูแลช่วยเหลือเค้า นะฮะเรา อยู่กับเค้า คิดอย่างเดียวคือว่าทํายังไงจะให้เรามีโอกาสได้พูดเรื่องพระเจ้ากับคนทําไงให้คนได้รู้ <c oughs> พระเจ้าจะทำที่นี่เป็นนะที่เราตามที่พระเจ้าแนะนํานะแล้วก็รุ่นนี้เอ่อเจเนอเรชั่นที่ <c oughs> ทำ, ทำ, ทำ, 3 รุ่นแรกๆคือนะฮะ 2 ก็เอ่ออาจารย์ปารุจี บางสุนิภาอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะ 3 คือรุ่น 4 คือวัยเยาวชนที่ต่อเนื่องรุ่นทำเรทำ 2 ทําอะไรมา ใน 3 เรื่อง 1 เตรียมคนก็คือสร้างสาวก 2 เตรียมสถานที่ให้ 3 เตรียมชุมชนชุมชนแปลคําว่าให้คริสต์จักรรู้ ไม่รู้ว่าเพราะเราอยู่เจลิสทองไม่ไปได้ไกลนะฮะเค้าก็มาเชิญแล้วเชิญไปร่วมประชุมก็ไปประชุมอันนั้นคือสิ่งที่เค้ารู้จักเราเรารู้จัก ผมยังไม่รู้เออพอออแล้วผมเป็นพอออด้านไหนแล้วผมยังไม่รู้ตัวเหมือนกันเลยผมไม่ใช่แกก็เข้าใจไม่ได้นะแกเข้าใจไม่ได้อ้าวพอออพอออเอาเป็นพอออคิดใจกับกูแล้วกันนะก็ก็บอกไปเค้าไม่เข้าใจนะนะชุมชนขี่จักรยานผ่าน งั้นคราวนี้ต้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เค้าเตรียมเรื่องนี้ไว้ให้เราแม้เรางั้นเราเหนื่อยแย่เลยเพราะอะไร นะฮะเราขอบขอบพระเจ้าเราก็ทําไปมีเงิน <laughs> ถ้าเราอยากถวายทรัพย์และไม่มีถวายก็ทําเรื่องเดียวอ่ะพงเจ้า <c oughs> อันต่างๆเนี่ยหลายครั้งหมดได้ตังค์มาแล้วใช้หมดแล้วไม่ได้บอกนะบลุ้ยทีตอนสิ้นปีทําอย่างเนี้ยนะแต่อบพรุ่งทุกค่ะถ้าพรุ่งอยากถวาย 20,000 บาท ไปคิดจักรูปผมต้องมีเงิน เพราะเราขอไงเราขอไงมันคงอาจจะไม่ได้มาทีเดียว 20,000 1,000 2,000 แล้วแต่ก็เก็บๆไปพอครบ 20,000 แล้วก็ถวายพระเหลือไว้ให้เรา แล้วก็ไม่มีต่างกันน้องชาอืมขอสิครับได้มาก็ให้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่เหรอถ้าเราตั้งใจจะขอนะก็หนุนใจทํานี้งั้นก็หนุนใจนี่คือสิ่งที่เราควรทํานะครับงั้นสรุปวิถีชนคริสเตียนคือ ข่าวที่พร้อมเกียงข่าวที่พร้อมเกียงเหมือนคนที่อยากจะหาพระเจ้ากําลังแสวงหาพระ แล้วก็มีโอกาสแบ่งปันชีวิตพระเจ้าอวยพรเราแบบไหนแม่วิกาดบอกเค้าว่าเป็นพระ แต่ละครั้งเราชอบเจอหน้ารู้มั้ยพระเจ้ารักคุณหือไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่กับเค้าแสดงความรักกับเค้าเอาใจใส่ดูแลเค้าด้วยความรักแล้วถึงวัน ใช่ไหมมั้ยเจอบ่อยใช่มั้ยเจอหน้ารู้มั้ยพระเจ้ารักคุณแล้วก็แล้วไงไม่รู้รักใช่ทําไมเห็น แต่เจอหน้าใหม่ๆพระเจ้ารักคุณอะไรพระเจ้ารักคุณมั่วเปล่านะมั่วเปล่า นะฮะแล้วโดยความเราเชื่อว่าเค้าต้องการพบพระหรือมาหาเอ๊ะอาจารย์คนร้อนรนแล้วก็น่าจะเป็น นะไปอันนั้นคือส่วนกันนั้นแล้วช่วงนี้หลายคนเอ่อชวนไปเยี่ยมถ้าผมว่างก็ไป อ่าตนก็ไปร้องเพลงก็ฟังนะพระเจ้าดีต่อฉันอ่าดังเถอะแต่เข้าร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วคนนี้ไม่ให้ร้อง ไปเยี่ยมขอบคุณคุยได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไปเยี่ยมเขามองหน้า อาจารย์มาหาเค้าไม่ดีใจหรอกเอออันนั้นคือสิ่งสําคัญนั้นแต่เค้าไปไปเป็นเยอะกับคน ถ้าผมอยากให้เค้าคุย